สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการหนังเหนียวครับรายการหนังเหนียวคือรายการน้องใหม่ที่จะมารีวิวนในสไตล์พวกเราเองนี่คืออีพศูนย์เนาะอีูสองคนผมเบิร์ดครับเฮ้ยตื่น oh, <yeah. S 1> อ่าครับครับผมบิ๊กครับนี่มินจะหลับจริงนะเนะี่ยเอ้ยไม่หลับสิมาอัดเสียงให้คุณผู้ฟังได้ฟังแนะนําตัวกันนิดนึงเนาะ อ่าคุณเบิร์ตบอกดิคุณเป็นใครมาทำไมนี่กูถามมึงมึงถามกูถามไปทาไมคืออากูแนะนําตัวก่อนก็ได้อชื่อเบิร์ตนะครับเรียนจบทางด้านภาพยนตร์มาจากมหาลัยหนึงมหาลัยเดียวกันกับบิ๊กเนี่ยแหละครับก็รอดแล่นอยู่ในวงการมีกินบ้างไม่มีกินบ้างส่วนใหญ่จะไม่มีกินนะครับก็ก็ทําตามเรื่องตามราไปเรื่อยๆปัจจุบันก็ทํางานเกี่ยวกับจะให้ทำซีรีสอย่างงี้ดีกว่าเออ ทางซิลลี่อยู่ในขั้นเขียนบทอยู่คาดว่าน่าจะถ่ายจะอะไรปีหน้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะจะรอดหรือไม่รอดก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่ส่วนผมเนี่ยบิ๊กเนี่ยจริงๆก็คือเรียนหนังนแหละกับเบิร์ดมาจบมาปุ๊บก็คืออุดมการแรงกล้าครับไปทํางานนอกสายานเลยคือพอจบมาปุบเราแบบยังไม่ไม่ใช่อ่ะคือแบบมันเราอยู่บนโลกทุนนิยม อ, อ่ะเราจะคิดต่างกับเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดมันเป็นพวกแบบ อ่าอุดมการณ์นิยมไงมองเรื่อุดมการ์เป็นหลักเลยกูเรียนมากูอยากทํางานกูอยากอยู่นะเบอร์แมงก็ไปเลยแต่บิ๊กบิ๊กมองเป็นทุนนิยมเนคือแบบที่ให้กูเรียนมาแล้วถ้าไปทํางนั้นเนี่ยมันแดกได้ไหมมันอยู่รอดไหมชีวิตกูต้องการอะไรคือจะเป็นคนคิดเยอะประกาศเยอะมากแล้วก็จะเอาความชิดนชมเป็นหลักเยอะสุดท้ายในโนนโดยไปทํางานสายงานอื่นเลยเป็นสถาบันอื่นไปเลยแต่ก็คือว่าประสบความสำเร็จนะทําทํามาหลายปีแล้ว มีเงินใช้มีอะไรมีนี่มีอะไรก็คือคือมีครบทุกอย่างที่คนทำงานออฟฟิศอยากมีอ่ะส่วนใหญ่ที่เขาอยากมีกันก็คือนี่อย่างแล้วก็มีครบหมดเลยบ้านรถบัตรเครดิตอะไรก็มีครบอ่ะมีเป็นนี่เป็นสินเป็นอะไรครบอ่ะตังบอกก่อนว่าบิ๊กมีแต่งงานแลวนะครับนี่มีกำลังจะมีลูกครับนี่กี่เดือนแล้วครับเอ่อท้องเก้าเดือนนี่ แล้วเรื่นี้เราก็จะยังงไป่เก้าเดือนยังผิไม่เดเดือนเจ็ดเดือนเอออีกสองเดือนข้ออีกสองเดือนอีกสองเดือนอ่ก็รอรับขวัญนั้มันอีกคนหนึ่งยังไงก็เดี๋ยวรอรับขวันลูกลูกชายใช่ไหมรู้เป็นลูกชายลูกชายอาจจะมี EP พิเศษหรือเปล่าไม่รู้อ่ะชแนลของเราเนี่ยก็จะเน้นความอะไรดีคือคือบิ๊กเนี่ยหลักๆแล้วบิ๊กจะเป็นคนดูหนังบ่อยมาก สัปดาห์นึงนี่คือจะดูเยอะมากดูทั้งอ่าดูทั้งดูในโรงหนังแล้วก็ดูดูแบบดูอยู่ที่บ้านโฮมมิววีโออะไรอย่างนี้อ่าส่วนเบิร์ตเองก็ยังไงอ่ะก็ดูบ้างไม่ดูบ้างตามตามซัพ์ตามซับส่วนใหญ่จะดูจะเลือกจะเลือกดูเฉพาะเรื่องที่อยากดูจริงๆคือเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาดูเนาะอืมแต่บิร์นี่คือจะดูแบบดูแบบดูด่าละกูเรื่องนี้ว่าดีไม่ดีดูหมด เราเราจบหนังกันมาไงอุดมการ์เราของคนจบหนังเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วคืออยากทาหนังอยากอยู่กับหนังเนี่ทีนี้เราไม่สามารถทําหนังได้เนี่ยเราก็ต้องเติมเต็มส่วนที่ขาดด้วยการดูหนังคือเป็นคนไม่ชอบดูหนังแต่ก่อนจะเรียนหนังแเ้ียนจบหนังก็ดูแบบจนแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งยิ่งตอนก่อนทํางานนี้ไม่ต้องดูอะไรเรื่องขั้นตับนเยทุกวันทุกวันทุกวันที่หนังที่เราไม่เคยดูนะแต่พอจบปุบมันก็น้อยลงนะแต่มันก็มีมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้นี่เฉลี่ย สัปดาห์หนึ่งดูหนังกี่เรื่องถ้าหนังจริงก็มันน้อยลงนะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่น้อยที่สุดในช่วงสี่ห้าปีแล้วประมาณสีสเส่เรื่องใช่ไหรับสี่เรื่องต่อสัปดาห์ก็โอเคนะโอเคคือมันเราคือเราเราเร า, เราทำเคยทําหนังมาอาจจะเป็นหนังสั้นหรือหนังใหญ่หรือหนังอะไรก็ช่างมันถอมันมันมีความรู้พื้นฐานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทําหนังเกตเล็กเก็ตน้อยในการทําภาพยนตร์งไงเพราะมันเรียนมานี่เนาะ เราก็ชอบมันมากด้วย<ช>คือเราทั้งชอบทําหนังว่าชอบดูหนังเพราะนั้นการรีวิวหนังของเราเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบที่อา่าเป็นทั้งนักวิจารณ์หนังในฐานะคนดูหนังและอาจจะเป็นในรูปแบบของวิจารณ์ในแบบคนทําหนังเช่นผู้ฉากนี้มันเซ็ตออกมาดีตรงนี้ทํายากทําง่ายยังไงเนี่ยเออมันเขาใช้อุปกรณ์อะไรหรือว่าเขามีเทคนิคอะไรภูมิกับคนนั้น เขาเป็นสายแบบนี้เงี้ยอาจอาจจะมีอาจจะมีเรื่องราวพวกนี้คือคอยสอดแทรกอยู่ตามเรื่องตามราวเนาะเราก็เราก็ไม่ได้อยากไปกําหนดมันมากตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าที่ทํารายการเนี้ยเพราะว่าเราเราปกติเราคุยหนังมันบ่อยมากแบบอ้าวบิ๊กวันนี้ไปดูวันนี้มาว่ะาเงี้ยก็มานั่งคุยเออเรื่องนี้กู ย, ยังไม่ได้ดูเป็นยังไงบ้างเออไปดูหนังเก่ามารู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมก็มานั่งวิจารณ์มานั่งคุยกันเออมีความมันแล้วคุยกันนานมากนะ เลรู้สึกว่า้ถ้าเราเอาเราอาจทำพอดแคสต์พอดทอล์แบบเนี้ยแล้วก็อาจให้ชาวบ้านทั้งฟังมันจะ น, น่าจะเป็นประโยชน์ mm. เผื่อมีคนอยากฟัง mm. คือทุกคนจะเอียนกับการรีวิวหนังของคนอื่นเยอะเหมือนกันคือเราก็เราก็ไม่ได้อยากไปแข่งกับเขาแต่ว่าอ่าเราเรารีวิวกันโดยโดยคนดูหนังและคนทําหนังในมุมมองนี้ด้วยว่าในมุมมองคนทําหนังและดูหนังเออ มันก็น่าจะได้ต่างมากมันก็น่าจะได้รสชาติอีกแบบห น, นึ่งไงใช่ไหม<ส><บ>เอ อ, เ, อ, อเพราะว่าคือเขาบางคนคือเขาไม่รู้หรอกว่าดูหนังแบบใช้เลนส์อะไรใช้กล้องอะไรใช้เทคโนโลยียังไงหรือว่ามีสตอรี่ในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เขียนบทใช้เวลานานไหมอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่เขาจะมานั่งดูกันว่าห่ังเรื่องนี้คอนเซปเป็นยังไง นักแสดงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องบอกก่อนตัวเบิร์ดเนี่ยบรรจ์เป็นทางฟิล์มเมคเกอร์คือคนทาหนังคือเข้าถึงจิตวิญญาณคนทำหนังมากๆซึ่งมุมมองในการดูหนังเขาจะไปทางคนทําหนังเยอะส่วนบิ๊กเนี่ยคือทําหนังมากคจริงเข้าใจทางนั้นก็จริงแต่บิ๊จะอยู่ในโลกของคนดูหนังคนที่ว่ง่ายๆคือแม่งไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับหนังเลยรู้แต่ว่าคูเปิดห5 7 9แล้วมีหนังให้กูดูจะอยู่ในในโลกของคนแบบนั้นซึ่งเราจะเข้าใจคนแบบนั้นเยอะมาก อืมแล้วพอคุยกับเบิร์ดเนี่ยมีเข้าใจเบิร์ดแล้วก็เข้าใจคนแบบนั้นก็เป็นตัวกลางแล้วกันระหว่างมนุษย์2โลกอืมคือก็คิดว่าน่าจะสนุกกันเนาะอยากให้ลองฟังดูว่าว่าว่ามันมันจะรอดไหมเพราะเราไม่มั่นใจร่วมกันว่าแบบจะมีจะมีใครฟังแบบแล้วก็ไม่ไม่ได้หวังเยอะขนาดนั้นเพียงแค่ถ้ามีเวลาว่างนั่งฟังกับเพื่นเนี่ยหกูฟังเองเราก็กดนั่งฟังกันเองนะเออน่าน่าจะดี เป็นรสชาติใหม่ส่วนเรื่องช่วงต่างๆเนี่ยเราเราเราเราจริงๆเรายังไม่ได้คุยกันลงตัวนะคุค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆทําไปจนจนมานลงตัวก็แล้วกันเออือแน่ๆอันนี้ช่วงเนี้ยช่วงนี้มีแน่ช่วงหนังอัพเดทใหม่ประจำะลงเพราะว่าดูหนังเข้าลงทุกอาทิตย์คือถ้าหนังในอาทินั้นไม่มีหนังที่แบบน่าสนใจจริงๆอะ่ะแบบไม่เธอถ้ามันไม่มีหนังที่มันแบบไม่น่าสน น, าน่าสนใจจริงๆเนี่ยเราก็จะเอาโอเคอาจจะไม่ดู ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องหาดูให้ได้คื อ, อบิ๊กมีมาตรฐานบิ๊กอยู่คืนถ้า IMDB ให้เกิน7จ็ดบิ๊กแม่งดูหมดเราก็ต้องดูแหะเราดูหนังพ่กความบันเทิงอันดับหนึ่งนะสําหรับบิก๊กมันคือการเลือกนะเอแต่ถ้าแต่คือต้องบอกก่อนนะถ้าแม่งอาทินนั้นแม่งเข้า7หลายเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องดูทยยออใช่ดูทยอ ย, ย, อยแล้วก็อาจจะเก็บไปดูอาทินหน้าแต่ถ้าอาทินหน้าแม่งมีหนังดีอัดมาแน่ๆในช่วงนั้นจริงบางทีก็ดูไม่ทันก็รอดีวีเหมือนกันใช้คําดีนะดูลอดู DVD จริงๆเราดูดีๆจริงๆเหรอดิแหมโลกนี้มันพัฒนาแล้วเรเป็นยุคแห่งการแบ่งปันอะไรที่มันดีๆเราชอบเราก็ไปซือ้อเออถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากสนับสนุนของแท้เออการรุ่นหนังใโลกงัน่าให้สุดนะพูดถึงนะมันได้อาสิลดที่เต็ตมที่ที่สุดและเพิ่งรู้ว่าโงหนังไทยเนี่ยของเราเนี่ยระดับโลกนะคือในถ้าในอเซียเนี่ย คือเที่ยวเกาหลีเที่ยวหลายประเทศได้เลยมทาทหารลงภาพยนต์ในไทยนี่สูงมากเรามีโฟกอะไรนะ 4D เออ 4DX เรามีไอแม็กเรามีรงภาพยนต์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้ลงภาพยนต์เนะ่ะแม่งกระจายตัวมากคือถ้าไปดูมั่งแบบ10ปี20ปีที่แล้วบางจังหวัดแม่งไม่มีโรงหนังเลยใช่แล้จริงๆรแต่ทุกวันนี้คือแบบแม่งต่างจังหวัดอะแบบบางอำเภอกืบแม่งหลายอำเภอมากคือมันกระจายตัวไปทุกที่แล้วการจะดูหนังมันไม่ใช่เรื่องยากทุกวันนี้นะ แต่การดูหนังดีมาถ่ายากอย่างเช่นรายการเราเป็นต้นถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าอยากสนับสนุนก็ช่วยพวกเราได้เหมือนกันเต็มเตมที่ก็กดไลค์กดแชร์นะแต่ถ้าใครอยากจะโด o n a t i o เสียตังก็ก็ดีเราก็ยินดีเป็นค่าค้าวค่าแนมค่าดูหนังค่าป๊อปคอนเรวเดี๋ยวอีกนิดนึงดีกว่าเราเราอยากมาพูดถึงเรื่องช่วงช่วงต่างๆในในในรายการอาจจะมีอ่ามีรายการหนังใหม่แน่นอนอ่าหนึ่งหนังใหม่อ่านังใหม่ที่เป็นคนในงอาจจะหนังเก่า เฮ้ย้ช่วงนี้คนมีว่ะเรามันเพื่อนเก่าคุยกันใช่ป่ะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ช่วงอัปเดตชีวิตเอออัปเดตชีวิตคือเอออัปเดตชีวิตก็ได้ชีวิตมึงชีวิตกูหรือชีวิตคนใกล้ตัวหรือคนที่เราอยากจะด่ามันอะไรก็เอามาอัปเดตกันอัปเดตนี่น่าจะนานกว่ารีวิวหนังก็แหมมันก็มีอะไรคลั้งคาอยากบนก็บ่นกันก็ดีนะก็ดีสองช่วงแล้วก็รีวิวหนังเก่าคลาสสิกเรียกว่า จ ะ, จะว่าจะว่ารีวิวหนังเก่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นแนะนำดีเป็นแนะนำดีว่ะไหมเผื่อเรามีนอกจากหนังแล้วเราเราก็ดูซีรีส์กันเหมือนกันนะแนะนำดีว่ะเนาะก็หนักสามช่วงที่คิดไว้ไล้มี <Okay. S 1> อะไรแค่แค่นี้อ๋อนี่อัปเดตอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ เ, เปลี่ยนผู้มกับหรือสตูดิโอนี้มีกำหนดจะสร้างหนังเรื่องใหม่ภาคต่ออะไรก็ว่าไป หรืนักแสดงคนนั้นไปท้องคนนี้จัดไปเอมีอัปเดตแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเรายัางไม่ได้คิดชื่อช่วงนะอาจจะยังมั่วม่วมั่วม่วมีมีขีดประเด็นอ่าเดี๋ยวเราไปเกามามีรอบแรกครั้งแรกอกับตัวแรกอัป <Up date S 1> เดตวันที่ได <18. S 1> ้ไหมวันนี้วันที่สิบแปดสิบปกัายนปีสองพันห้าห้าสิเ้าอ้สิบเกดิวันนี้ครบรอบทํางนานกูสิบเกพิจิกา สองห้าห้า้าครบรอบแต่งงานหนึ่งปีกําลังจะมีลูกหนึ่งคนเย็นนี้เดี๋ยวจบวันนี้เดี๋ยวเราเอาไปงานแต่งเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่าใช่คื อ, อคื อ, ค, อคือวันนี้ตอนเย็นนี้เรามีงานแต่งของเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนั่นแหละเรียนภาพยนตร์มาด้วยกันเป็นผู้หญิงเออนี่คือก็ก็ถือว่าได้รวมตัวเพื่อนเก่าสมัยเรียนมหาลัยเหมือนกันอ๋อจริงจริ ง, รงอยากทําอีกอย่างหนึ่งก็คือนานๆที่อยากจะเชิญแขกรับเชิญมา อ่ า, าเชิญทาน<ล>มากกว่าจะมีใครไม่แน่นเลยไม่แน่นเ้ยคือแข่รับเชิญนี่อาจจะเป็นแบบคนในวงการก็ได้นะเชิญพุ่มกับหรือเชิญใครมานั่งคุยกันแล้วแบบเออเขาดูหนังเขาเสพหนังอะไรยังไงบ้างหรือว่าข่าวในวงการตอนนี้เป็นยังไงเงี้ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างเออมันมันก็จะดีดีไหมเนาะเออจัดไปให้เสียนะก็นานๆทีก็คงจะมีแข่งรับเชิญ แต่เราฟังทนฟังเราโม้ไปก่อนส่วนเรื่องเออใครถ้ามีคนสงสัยว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าหนังเหนียวเนี่ยตอบได้เลยว่าโผล่ขึ้นมาเองคืออยากจะใช้ภาษาไทยที่เรียบง่ายๆแล้วจําง่ายมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะมันต้องมีคําว่าหนังหนังอะไรอะไก็เลยขึ้นมาได้ยหนังเหนียวอ่ะหนังเหนียวก็ฟังง่ายดีหนังเหนียวเยี่ยวเหนียวเยี่ยวเหนียวเลยเออข้าวเหนียวอืม ทำเหนียวเจียวเปียบกูแย่มาเรือยๆพอพอพูดจะรูดคือเราก็นะเสือนกันหน่อยนะครับต้องต้องต้องต้องแนะนํากันอีกนิดนึงก่อนก่อนจะก่อนจะจบเธออาเบิร์ตเนี่ยตอนเนี้ยอยู่อยู่จังหวัดเชียงใหม่บิ๊กเนี่ยอยู่กรุงเทพอ่าคือตอนเนี้ยผมก็ยังไงทํางานอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเออบิ๊กทำงานอยู่กรุงเทพอ่าเพราะนี้เวลาวันบางเนี้ยคือคือเรามาเรามาสเปเชียลจริงๆก็คือมามาเจอกันต่อหน้า ก็เลยก็เลยมานัดนัดอัดกันก่อนเป็นอนีพีศูนยอีพหนึ่งอ่อาอัดทิงๆไปก่อนส่วนถ้า EP หลังๆเนี่ยเราคงจะสกายคุยกันเอ อ, อสกายคุยกันแล้วก็เราก็จะอัดเสียงจากตรงนั้นคือคือจะไม่ได้อยู่ด้วยกันละเราต้องพากจากกันแล้วไงเออแต่คิดว่าคุณภาพเสียงน่าจะน่าจะโอเคไม่ไม่น่าจะแย่มากหลังจากที่ลองเคยเทสดูแล้วเนี่ยก็จะก็จะเป็นอะไรแบบนี้คือต่างคนต่างมือดูหนักแน่นะเรากลับมาพูดสกายคุยกัน เป็นยังไงบ้างก็อาจเสียงไ ม, ม่ให้ทั้งผู้ฟังได้ฟังกันสุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะมีความสุขกับการรับฟังการบ่ น, บนการโม้ของพวกเรานะครับในการรีวิวหนังเรื่องต่างๆและเรื่องราวต่างๆที่อัปเดตในวงการเนาะหนังเหนียวรีวิ ว, นวหนังเหนียวเฉยๆเออหนังรายการหนังเหนียวของเราก็ขอจบอีพีศนย์เออแต่การแนะนําตัวเพียงเท่านี้นแล้วกันนะครับยี่สิบนาทียี่สิบทีก่อนไม่เป็นไรเรอ้คนฟังเขาฟังเราโม้ได้เป็นชั่วโมง เขาปิดตั้งแต่นาทีแรกครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ